สัพพะานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทางปวงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสวยครับสวยนี่มีพี่น้องหกคนสวยเป็นคนโตต้องเหนื่อยสรพั ตั้งแต่จำความได้เรียนจบแค่ป .4 แค่อ่านออกเขียนได้ต้องหุงข้าวทำกับข้าวแต่เช้ามืดตั้งแต่เก้าขวบใช้เตาฟืนเวลายกหม้อข้าวรินน้ำข้าวสี่โครงขึ้นเลยเพราะว่าหม้อใบใหญ่แต่สวยก็พยายามยกให้ได้หกโมงครึ่งข้าวต้องสุกจะได้กินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนกัน แต่ว่าพ่อแม่ไม่ค่อยจะสนใจสวยว่าจะเหนื่อยหรือเปล่าบางวันก็เอาไม้กระบอกที่เป็นไม้ไผ่เป่าไฟให้ลุกคราบขมเมาก็จับขอปากดำก็มีเพราะมันใช้งานมานานพอไปโรงเรียนเพื่อนก็หัวเราะว่าคนชื่อสวยแต่ปากดำรอบปากมีแต่ขมเหลาดินหม้อสวยก็ต้องไปล้างหน้าเสื้อผ้าก็ดูไม่ได้รุ่นสวยนี่รองเท้าไม่เคยได้ใส่ ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังสวยเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจพ่อแม่ก็จะพูดคุยแต่กับน้องๆล้อมหน้าล้อมหลังกันสวยเคยเข้าไปนั่งไกล้ๆพ่อก็บอกว่ามึงมาเสนอหน้าอะไรกัเขาด้วยนะฮะมีอะไรก็ไปทําแม่ก็ไล่สวยสวยก็ได้แต่ไปจัดปัดที่นอนให้กับทุกคนกลางคืนพ่อแม่จะไปจับปูไว้ดอง กลางวันก็จะไปป่าหาฟืนมาเผาถ่านขายมันเป็นที่ดินของตาพวกน้องชายสี่คนในกินแล้วก็ไม่เคยล้างเสื้อผ้าอาบน้ำตรงออคงหรือว่าท่าน้ำสวยก็ต้องตามเก็บถ้าแม่มาเจอว่าเก็บซักไม่หมดก็จะเตรียมตัวรับกรรมถ้าไม่ถูกดายันดึกก็เจอไม้ฟาดส่วนน้องสาวคนเล็กแม่รักมากยังเล็กอยู่ สวยต้องออกจากโรงเรียนมาดูน้องคนนี้แล้วก็น้องชายคนที่ห้าอีกคนท่านน้องร้องเวลาที่พ่อกับแม่พายเรือกลับจากป่าบรรทุกฟืนมาสวยจะเจอด้ามพายแนย่จะโดนแม่ตีบางครั้งสวยก็อดน้อยใจไม่ได้เวลาเห็นแม่หอกลอน้องๆด้วยความรักสวยแอบมองดูบ่อยๆก็แอบร้องไห้อยู่เป็นประจำ บางครั้งปวดฟันก็ต้องนอนปวดนอนครั้งอยู่คนเดียวทนไม่ไหวไปบอกแม่ก็ได้ทำใจมาห่อหรือประสาบแรดมาสองหนึ่งเวลาทำกับข้าวย่างปลาทอดปลามันแสลงคนที่ปวดเหงือกปวดฟันหน้าก็จะบวมไปข้างแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากใครเลยเคยใช้ยังไงก็ใช้อยู่อย่างนั้น นอกจากเป็นไข้ตัวร้อนลุกไม่ขึ้นจริงๆแม่ถึงจะหุงข้าวทำงานบ้านแทนสวยบ้างเวลาโอ่งริมน้ำสี่ห้าใบน้ำมันพร่องไปสวยก็ต้องคอยตักน้ำใส่ให้เต็มทุกองค์เอาสันส้มแขวงเพราะว่ามันมีน้ำขึ้นน้ำลงเสื้อผ้าคนทั้งบ้านก็สวยคนเดียวที่ต้องซักถ้วยชามกินไว้กองพเนินเทินทึกสวยก็ต้องเก็บล้างคนเดียว แต่สวยเป็นคนหัวดีก็จดจําว่ากับข้าวนะเขาทำยังไงสวยก็ทํากับข้าวอร่อยขนมกล้วยขนมจากสวยก็ทําตอนกลางคืนเอาไว้กินกันกลางวันก็ทํางานบ้านเสร็จน้องหลับก็ถือสวิงลงไปช้อนกุ้งช้อนปลาพอน้องร้องก็วิ่งขึ้นมาจับน้องใส่คอกแล้วก็นั่งทําปลาอยู่ไม่ห่างได้กุ้งมาก็าเอามาต้มเค็มเผื่อไว้ทํากุ้งแห้ง สวยก็ทําอยู่แบบนั้นทุกวันตั้งแต่ออกจากโรงเรียนพอโตหน่อยคราวนี้ก็ต้องเข้าป่าพอเช้าก็จัดแจงข้าวปลาให้น้องไปโรงเรียนข้าวก็ได้กินทีหลังเ้ า, ากินเสร็จก็ต้องรีบล้างจานเข้าไปตัดไม้ช้าก็โดนดา่าสวยต้องแบกไม้ใกล้บ้านเอามาเลื่อยแล้วก็เอาขวานผ่าทำํำปูนตากแดดเอาไว้ใช้หุงข้าวแสนที่จะเหน็ดเหนื่อย มองดูลูกบ้านอื่นเขาได้เรียนกันพอเช้าก็เดินใส่เครื่องแบบนักเรียนเดินยังเป็นแถวก็รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาลูกคนโตบ้านอื่นเขาแม้ว่าจะจนกว่าก็มีหลายบ้านเขายังได้เรียนเขาไม่ต้องตักน้ำผ่าพื้นลุยน้าลุยโคลนหาปูหาปลาช้อนกุ้งเหมือนกระสวยหัวก็กระเซิงตัวก็ดำ เพราะสวยไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามทําแต่งานคิดอย่างเดียวว่าทํายังไงให้แม่พอใจไม่ดุไม่ด่าก็พอแล้วพ่อมักจะพูดว่าอีลูกคนโตนี่มองไปมันไม่มีสง่าราศีให้น่ารักน่าเอ็นดูเลยสวยได้ยินก็เสียใจพ่อแม่ชอบน้องๆว่าผิวพรรณดียิ่งน้องสาวคนเล็กด้วยยิ่งน่ารักตัวสวยนี่มันดําเหมือนปู อุตสาตั้งชื่อว่าสวยเผื่อโตขึ้นจะดูดีแต่กลับดูไม่ได้สวยอยากจะเถียงและเกินว่าตากแดดทุกวันหน้าร้อนหน้าหนาวก็บุกป่าลุยน้ําลุยโคลนตลอดหมวกก็มีจะหมวกขัดๆเอาไว้ใส่เวลาผ่าฟืนก็ต้องอยู่กับแดดหน้าบ้านไม่ค่อยมีร่มไม้อะไรให้เป็นร่มเงาสวยตั้งใจไว้เลยถ้ามีวาสนามีลูกแล้วจะรักลูกคนโตคนเล็กเท่าๆกัน จะไม่ทำเป็นลูกคนแรกหรือว่าคนโตเป็นอย่างตัวเองเด็ดขาดเมื่อน้องๆเข้าโรงเรียนกันหมดก็ต้องมีค่าขนมค่าอะไรเพิ่มสวยตอนนั้นอายุ16แล้วแม่ก็บอกสวยให้ไปรับจ้างหาเงินมาเป็นค่าขนมให้น้องให้ช่วยกันหาเงินได้มากได้น้อยก็ยังดีสวยก็ยังเข้าโรงงานไม่ได้กว่านึกไม่ออกว่าจะไปรับจ้างเขาทําอะไรก็เลยไปขอผูกเหล็กหิ้วปูนอยู่ปีกว่า เช้าไปเย็นกลับรถรับส่งคนงานมาที่แคมป์คนงานเนี่ยต้องผ่านบ้านสวยตัวสวยก็เลยได้นอนบ้านแต่ก็โคตรเหนื่อยเลยต้องลุกตั้งแต่ตีสี่หุงข้าวยังดีที่มื้อเย็นแม่เป็นคนหุงแต่ก็ต้องรอจังหวะว่าเขากินกันอิ่มหรือยังถ้าเขากินกันแล้วสวยก็จะไปกินแล้วก็เก็บล้างถ้วยชาม ถ้าไปเสนอหน้ากินพร้อมกับเขาก็จะเจอเรื่องที่แม่จะสรรหามาบ่นมดาด่าจนสวยแทบจะกลืนข้าวไม่ลงสวยทนทําก่อสร้างเงินก็ไม่ค่อยได้ใช้ได้แต่ห่อข้าวไปกินพอสวยอายุครบที่จะทําทงานโรงงานได้ก็ไปสมัครทําโรงงานอยู่แผนกพนักงานทั่วไปทําเกี่ยวกับอาหารทะเลอากาศก็เย็นกว่าทําก่อสร้างเยอะแต่ว่าต้องยืนทั้งวัน แต่สวยก็ชอบที่จะอยู่กับแอร์และน้ําแข็งเดือนกว่าๆสวยเปลี่ยนไปผิวพรรณดูเกลี้ยงกลาำขาวขึ้นผิดหูผิดตาผมที่กระเซิงอยู่ในหมอกทุกวันก็ดูเงางามขึ้นใครๆก็ชมว่าลูกสาวบ้านนี้สวยจริงๆแต่ชีวิตทองสวยก็ยังได้รับความลําบากอยู่ดีแต่ก็ดูเหมือนพ่อแม่จะเพลาๆ เ, เรื่องด่าว่าไปบ้างมีคนชมว่ามีลูกสาวสวยพ่อแม่ก็คงจะภูมิใจบ้าง ไม่มีใครคิดว่าสวยจะดูดีขึ้นขนาดนี้มีหนุ่มหลายคนมาจีบแต่สวยก็ยังไม่ค่อยกล้าชอบใครวันหนึ่งเป็นวันหยุดสวยก็ลงหากุ้งหาปลาเก็บผักเหมือนเดิมก็มีผู้ชายสองคนใส่หมวกไหมพรมฉุดข้าสวยไปย่ำยีจนสมใจเสร็จแล้วก็ปล่อยสวยกลับมาสวยจำไม่ได้ว่ามันเป็นใครพ่อแม่ก็อับอายพาไปแจ้งความกงเงียบหาย สวยออกจากโรงงานหัวใจสลายเสร็จแล้วก็หนีตามผู้ชายคนหนึ่งที่สวยไม่ได้รักเพื่อจะหนีทุกสิ่งทุกอย่างจนมาสมาพ่อแม่ฝ่ายชายก็ไม่ได้มีอะไรก็พาสวยไปทำไร่ทำสวนพ่อแม่บอกว่ามีสวยเป็นลูกนะ่ะเหมือนจะมีซ่วมอยู่หน้าบ้านไม่เชิดหน้าชูตาอะไรเลยสวยก็สะเทือนใจอยู่ไม่ใช่น้อยต่อมาสวยก็มีลูกคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชาย สวยไม่ได้ร่ำรวยแถมมีหนี้เลยซ้ามีแค่รถซาเล้งพ่วงข้างบรนทุกผลไม้ขี่ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยกับสวยและสามีแต่เวลาพ่อแม่ป่วยก็มีแต่สวยเท่านั้นที่คอยเฝ้าดูแลน้องๆช่วงนั้นสุขสบายเพราะว่าตาขายที่แบ่งมรดกแม่ก็ซื้อรถให้ทุกคนปลูกบ้านให้สวยก็ได้บ้านใหม่หลังเล็กๆวันดีคืนดีแม่ก็ด่าก็ไล่โดยไม่มีเหตุผล แต่สวยก็ทนเอาคิดว่าอยู่ที่นี่ลูกจะไปโรงเรียนได้สะดวกเพราะบ้านอยู่ติดถนนสวยให้ความรักลูกเสมอกันลูกชายก็สอนให้หยิบจับงานบ้านไม่เอาเปรียบพี่สาวสวยไม่ได้มีรถเกง๋งรถกระบะขี่เหมือนกับน้องๆแต่สวยก็เจียมตัวว่าเขาเกลียดทุกวันนี้สวยก็ยังเหนื่อยแต่สามีเป็นคนดีคนขยันเล่าบุรีก็ไม่แต่ต้องมันทำให้สวยภูมิใจ และที่สวยรู้สึกดีก็เพราะว่าลูกคนโตห้องสวยไม่ต้องทุกข์ทรมานเหมือนกับสวยและลูกคนเล็กที่เป็นน้องชายก็ไม่กล่าวร้าวไม่จิกหัวดาใช้พี่คนโตเหมือนที่สวยเคยโดนถึงสวยจะไม่รวยจะสวยก็อยู่แบบพอเพียงและขอเป็นกําลังใจให้กับลูกคนโตหรือว่าลูกคนแรกที่พ่อแม่ไม่ค่อยรักเหมือนกับสวยให้อดทน วันข้างหน้าอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาสวยเองชำชอบกับชีวิตมากแต่สวยก็ไม่เคยคิดสั้นให้เป็นบาปเป็นกรรมสามีก็ไม่เคยรื้อฟื้นชีวิตที่ถูกฉุดค่าย่ำยีมาก่อนสวยก็ดีใจแล้วทุกวันนี้ก็ตั้งใจส่งลูกให้ได้ดีสวยก็ภูมิใจแล้วก็บอกลูกเสมอว่าพ่อกับแม่จนไม่มีรถขี่ ถ้าลูกอยากมีก็ขยันเรียนให้จบได้งานทําก็จะได้มีรถเหมือนกับเขาลูกสาวก็ว่าทําไมยายซื้อให้นาคนละคันแล้วก็ทําไมไม่ให้แม่บ้างสวยก็บอกว่าแม่เป็นลูกคนโตแม่ก็ต้องเสียสละให้น้องแล้วก็ไม่อิจฉาน้องลูกชายก็บอกว่าถ้าต้องให้พี่เสียสละให้หนูแบบนั้นหนูคงไม่สบายใจหนูจะไม่มีวันเอาเปรียบพี่ นั่นเป็นคำพูดที่สวยรู้สึกว่าดีใจมากที่ลูกๆเป็นเด็กดีทั้งคู่เลยครับพูดถึงเรื่องลูกดีเนี่ยเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ท่านฟังที่จันทบุรีนี่เองครับรายการของอาจารย์ยอดนี่จะเน้นเรื่องคุณธรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นสำคัญเป็นหลักอย่างเช่นเรื่องของคุณน้อยที่จันทบุรีเนี่ย เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อแม่จริงๆลาออกจากงานที่ทําไปอยู่ดูแลแม่ตอนที่แม่ป่วยโดยที่คุณน้อยไม่เคยเกี่ยงนอนให้พี่ๆน้องๆคนนั้นคนนี้ไปพอน้อยรู้ข่าวว่าคุณแม่ไม่สบายก็ตัดสินใจกลับบ้านตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ตัวแม่น่ะไม่สบายท่านเป็นเบาหวานเป็นความดันด้วยแม่มีลูกทั้งหมดเก้าคน เวลานั้นคุณน้อยเองก็ใช้ชีวิตอิสระทำงานทำงานมั่งเที่ยวมั่งในระยะนั้นเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานก็ยังโชคดีที่น้อยมีความคิดที่กลับบ้านตอบแทนบุญคุณคุณแม่คุณน้อยก็บอกว่านึกถึงเมื่อไหร่ก็ดีใจมากที่ไม่พลาดโอกาสตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ไม่สบายต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลตลอดทุกเดือนต้องไปทุกครั้งเวลาหมอนัดมีอาการน้ำตาลขึ้นๆลงๆ ก็ต้องพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลโดยการเช่ารถคนข้างบ้านเขาครั้งหนึ่งสามร้อยบาทนะปีนั้นน้ำมันยังไม่แพงบางครั้งแม่เขาต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนไม่มีใครไปสับเปลี่ยนน้อยก็นอนเฝ้าคุณแม่อยู่อย่างนั้นเฝ้าอยู่คนเดียวต้องคอยพาคุณแม่เข้าห้องน้ำถ่ายทุกเช็ดตัวเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนผ้าทาความสะอาดตัวแม่ทุกเช้า ไม่เคยบ่นแล้วก็ไม่เคยเรียกร้องให้พี่ๆน้องๆมาเปลี่ยนเวรเป็นการทำเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยความเป็นลูกกระตันยูเนี่ยต้องทำตรงนี้ทีนี้คนที่อยู่โรงพยาบาลไปเฝ้าคนไข้เนี่ยท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาก็พบคุณหมอเจอคนป่วยเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายอยู่ตรงนั้นแหละแทบทุกวันเป็นการดำเนินชีวิต มองเห็นชีวิตจริงที่ใกล้ตัวอยู่จริงๆนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหมอที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยท่านได้ทำบุญช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกไว้ใครที่เคยนอนเฝ้าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องอยู่โรงพยาบาลแล้วจะรู้ว่าการมีชีวิตอนอนเฝ้าดูแลผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นแบบไหน นอนห้องพิเศษรวมในยังพอทนอ่าแต่ถ้าเป็นห้องผู้ป่วยรวมไม่มีแอร์แถมมียุงอีกเราก็โอ้ยทรมานก็ทรมานร้อนก็ร้อนเสียงคนพูดคุยกันอ่าเสียงร้องเจ็บป่วยอือแต่ละวันก็นอนไม่เป็นเวลาเวลาคนป่วยหรือว่าคนเฝ้าดูแลเนี่ยเป็นชีวิตที่อดทนแล้วต้องทำใจมากินมานอนใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลตอนนั้นพอคุณหมอบอกให้ แม่กลับบ้านได้โวยคุณน้อยดีใจเก็บของทันทีอ่าจะไปจะมาก็มีอยู่สองแม่ลูกนี้เท่านั้นเองอ่ะ ท, ทั้งทั้งที่ก็มีพี่น้องตั้งหลายคนนะบางครั้งคุณน้อยก็สงสารตัวเองแต่ว่าสงสารแม่มากกว่ามีลูกหลายคนก็เหมือนมีกันอยู่แค่สองคนอ่าแต่ว่าก็ยังยังยังมีอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเนี่ย อันนี้เขาทางานคอยส่งเงินให้คุณแม่ได้ใช้ไปหาหม อ, อเมื่อกลับไปถึงบ้านคุณน้อยก็ปฏิบัติดูแลคุณแม่เหมือนเดิมคอยหาข้าวไว้ให้แม่กินพอแม่ตื่นก็พาเข้าห้องน้ําถ่ายทุกทุกเช้าเนี่ยน้อยก็จะต้องอดูแลเรื่องถ่ายหนักถ่ายเบาของคุณแม่ทุกเช้าก่อนก่อนจะกินข้าวทุกครั้งด้วยอ่า คือทาจนเป็นปกติแล้วไม่เคยคิดรังเกียจในสภาพที่คุณแม่เป็นเพราะว่าใจเนี่ยใจลูกที่พร้อมจะมาดูแลแม่เสร็จแล้วเมื่อน้อยลาออกจากงานที่ทามาแล้วก็อยากจะมาอยู่กับท่าน น, น, นานๆนะน้อยมีพี่สาวอีกสองคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันไม่สนใจคุณแม่เลยว่าแม่จะอยู่แบบไหนอาการป่วยของแม่จะเป็นยังไง บางทีแม่จะไปหาหม อ, อยังไม่รู้เลยสองสมวันแล้วถึงได้รู้ว่าแม่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลที่พี่สองสาคนนี่เขาไม่รู้ว่าแม่จะอยู่ยังไงแบบไหนจะกินข้าวกับอะไรก็คงจะเป็นเหมือนกับนิสัยหรือกรรมไม่รู้เขาสองคนเนี่ยไม่ทุกข์ร้อนกับคุณแม่เลยแต่ว่าคุณน้อยก็ไม่เคยไปเรียกพี่สองคนนี้นะเพราะว่าถือว่าเป็นลูกแล้วก็ต้องรู้รู้หน้าที่ของลูกควรจะทาอย่างไร ลูกต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่นี่พี่สองคนนี้ไม่สนใจเลยจนชาวบ้านก็ก็เอาไปพูดไปนินทากันแล้วครอบครัวของพี่สองคนนี้ก็ไม่เคยพบกับความสุขหรอกความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวไม่มีคุณน้อยบอกว่าที่ไม่เจริญก็เพราะไม่เคยทําบุญใส่บาตรในบ้านเลยหมายถึงว่าใส่บาตรให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยการเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขา เ, เขาถือว่าเป็นการใส่บาตรในบ้าน สมัยคุณแม่ป่วยเนี่ยคุณแม่จะไปหาหมอทีก็ไปแค่สองคนนะคุณน้อยเท่านั้นนะบางทีหมอนัดบางครั้งคุณหมอก็ให้แม่นอนโรงพยาบาลทีนี้ก็ต้องเตรียมนะต้องเตรียมเสื้อผ้าของใช้จําเป็นไปอ่าเพราะว่าความเป็นอยู่แล้วก็การได้ปฏิบัติกับแม่มานานหลายปีว่าทุกเวลาทุกครั้งที่ไปหาหมอเนี่ยคุณน้อยต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอด จะเอาเสื้อผ้าผ้าหม่มสบู่เตรียมใส่กระเป๋าไว้เวลาไปจะได้ไม่ลืมอันนี้ต้องเตรียมถ้าว่าหมอให้อยู่ก็จะอยู่ได้เลยถ้าหมอบอกว่ากลับบ้านได้ก็หิ้วกลับมาระยะปี2540นะ่คุณแม่เริ่มมีอาการไม่สบายมากขึ้นนอนโรงพยาบาลทีทีเป็นเดือนน้อยก็ต้องสู้อดทนพาคุณแม่ไปแล้วก็ไปอยู่ดูแลท่าน น้อยกับแม่นี่จะอยู่โรงพยาบาลมากกว่าอยู่บ้านในระยะที่คุณแม่ไม่สบายมากท่านก็เป็นห่วงน้องคนเล็กที่เรียนหนังสือตอนนั้นคือน้องรัตลูกคนนี้คุณแม่ภูมิใจในตัวรัฐมากเพราะน้องคนนี้ไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจรัฐเรียนจบปริญญาตรีได้ทำงานก็มีเงินส่งให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนแม่ก็ได้รับเงินจากน้องรัทุกครั้งท่านจะให้ศีลให้พรน้องรัฐตลอด เป็นการโชคดีที่ว่าน้องรัฐได้ตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่เสมอมาทุกวันนี้น้องรัฐเขาก็มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะว่ารัฐเขาเคยใส่บาตรในบ้านคือดูแลพ่อแม่มีใจทำบุญกุศลตลอดมาอันนั้นเป็นเรื่องของน้องคนเล็กปี2540แม่มีอาการไม่สบายมากขึ้นน้อยเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันคิดสับสนกับชีวิตว่าถ้าขาดแม่ไปแล้วตัวแกจะเป็นแบบไหน ตอนนั้นก็ทั้งเหนื่อยทั้งกังวลกับอาการของแม่ประสาทนี่งงไปหมดเพราะเห็นคุณหมอผ่าตัดที่แขนที่ขาคุณแม่เป็นแผลเต็มไปหมดสายน้ำเกลือสายเพิ่มเลือดไม่รู้สายอะไรต่ออะไรในตัวแม่แล้วตัวก็เป็นแผลเต็มไปหมดเห็นสภาพแม่แล้วรอ้องไห้อรีบโทรศัพท์ไปบอกญาติพี่น้องไปดูใจไปดูสภาพคุณแม่เวลานั้นน่แย่มากท่านนอนนิ่งมาสองอาทิตย์หมอก็บอกให้เอาท่านกลับบ้านดีกว่า ให้ท่านได้ไปเสียชีวิตที่บ้านดีกว่าญาติพี่น้องก็พาคุณแม่กลับบ้านแต่ท่านอยู่ได้ครึ่งวันก็เสียเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คุณน้อยคิดว่าโอกาสที่จะได้ตอบแทนคุณของพ่อแม่นี่มันไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ก็ใจหายเหมือนเดิมถ้าผ่านโรงพยาบาลที่เคยไปนอนพักรักษาตัวท่านมาเมื่อ คุณแม่จากไปความทุกข์กังวลก็เริ่มเข้ามาในชีวิตวุ่นวายพอสมควรเมื่อคุณแม่จากไปไม่มีวันกลับพอไม่เห็นแม่นอนอยู่ในบ้านก็ใจหายอ่าแล้วไหนญาติพี่น้องจะมาวุ่นวายเรื่องบ้านพร้อมที่ดินก็พานทะเลาะกันอ่าเมื่อคุณแม่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่มีใครมาดูแลปฏิบัติท่านพอท่านเสียชีวิตลงกลับมีคนอยากได้สมบัติท่านมาเช้ามาเย็น พี่สองคนที่วานั้นนะขนาดแม่ทายทุกขอุจาระไว้พี่สองคนนี้ก็ไม่กล้าที่จะทำความสะอาดให้คุณแม่นี่ละใจของคนที่ไม่รู้จักพระคุณบุญคุณของพ่อของแม่เมื่อตอนเด็กนี่พ่อแม่ทำให้ได้ทุกอย่างจะขี้จะเยี่ยวสารพัดแต่พ่อแม่แก่ตัวลงลูกทำให้ไม่ได้ยามไม่สบายท่านก็คงจะคิดถึงก็เรียกหาลูกสองคนนี้ ก็ไม่ยอมออกมาหาท่านคุณแม่ถึงก็ร้องไห้น้อยเห็นแล้วก็สงสารคุณแม่น้อยก็ไปตามเรียกให้พี่พออกไปดูไปพูดไปคุยกับแม่บ้างเวลาคุณแม่ตายเดี๋ยวท่านจะมาเรียกอยู่หน้าบ้านนะว่าอย่างนั้นไปบอกแล้วก็ยังเหมือนเดิมเฉยไม่สนใจปรากฏว่าพี่ทั้งสองคนที่ว่าเนี่ยทาอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นะชีวิตครอบครัวของเขาคนแรกนี่มีลูกชายลูกสะใภ้ ต้องหากับข้าวทํากับข้าวไว้ให้ลูกชายลูกสะใภ้กินแต่ว่าที่คุณแม่นี่แต่ก่อนในพี่ทั้งสองกลับไม่เคยทํากับข้าวมาดูแลคุณแม่เลยตอนที่คุณแม่มีชีวิตอยู่นะเขาก็มีลูกแล้วนะแต่เขาดูแลลูกเขาแต่เขาไม่ดูแลแม่แล้วก็เวลานี้ลูกชายอีกคนของเขาก็หาอนาคตที่ดีไม่ได้เพราะติดเหล้าไม่สบายด้วยกลับมาบ้านเกิดก็ต้อง มาทําความสะอาดให้ลูกลูกถ่ายทุกเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างสารพัดซักให้นี่คือเวรกรรมที่พี่ทั้งสองไม่ได้ตอบแทนพระคุณของของแม่เวลาท่านจะถ่ายทุกอุจจาระของคุณแม่พี่ทั้งสองไม่กล้าจับไม่กล้าทําให้คุณแม่จะถึงเวลานั้นต้องกลับไปทําให้ลูกทั้งที่ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วขอให้ท่านดูคนรอบข้างดูคนในครอบครัวของท่าน ว่าเวรกรรมนั้นเห็นเร็วหรือว่าช้ากว่ากันทุกวันนี้เป็นผลบุญคุณน้อยบอกว่าเป็นผลบุญที่คุณแม่ให้ศีลให้พรปรากฏว่าลูกทั้งสองคนที่เลี้ยงแม่เนี่ยได้พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตถึงแม้ว่าจะไม่รวยมากแต่ว่าการดำเนินชีวิตก็บประสบผลสำเร็จมีความสุขในชีวิตเป็นเพราะคาพูดของแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไวพรให้คุณน้อยแล้วก็น้องรัฐนเนี่ได้ พบสิ่งดีๆสิ่งสวยงามในชีวิตด้วยดีเสมอมาครับนั่นก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ในฐานะที่ว่าเป็นเรื่องของคนดีที่ควรแก่การที่จะยกย่องครับ